มงคลชีวิตมงคลที่สามสิบเอ็ดการบำเพ็ญตบะตะโปจะเอตัมมังคลมุตตมังชื่อว่าตะปะ เพราะเผาาบาปทั้งหลายการเจริญศีลสมาธิปัญญาเพื่อละกิเลสทั้งหลายชื่อว่าการบำเพ็ญตบะทำที่เรียกว่าตบะในพระพุทธศาสนา 1. อินทรีสังวรการสำรวมอินทรี มีตาและหูเป็นต้นเพราะเผาอภิชาโทมนัสได้ 2. อาตาปีความเพียรเพราะเผาความเกียรคร้านได้ 3. ขันติความอดทนเพราะเผาความไม่อดทนความตามใจกิเลส 4. ทุดง วัดขัดกล่าวกิเลสเช่นการอยู่ป่าเป็นวัดเผาวความมากักมากได้ห้าศีลการรักษากายและวาจาใจให้หมดจดจากทุจริตเผาวความทุศีลได้หกสมาธิความตั้งมั่นแห่งจิต ท, ที่บรรลุฌานเพราะเผานิวรณ์ห้าได้ 7. วิปัสนาปัญญาความรู้รอบในกองสังขารว่าไม่เที่ยงเป็นต้นเผาความเห็นผิดว่ามีตัวตนได้ตบะเป็นธรรมที่พึงเจริญบทสรุปของตบะจึงได้แก่ข้อปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญา คือหลักตรายสิขาที่ตรัสให้เจริญกระทําให้มากเพราะจักทาให้แจ้งพระนิพพานอันเป็นที่สุดแห่งทุก์ทั้งปวงได้สมดังที่ตรัสไว้ว่าตบะและพรหมจารย์นั้นไม่ใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างการบำเพ็ญตบะจัดเป็นมงคลเพราะ 1. ทำให้บรรลุฌาน 2. ป้องกันบาปทั้งหลาย 3. กำจัดบาปทุจริตได้สิ้นเชิง 4. ทำให้รู้แจ้งอริยสัจถึงความสิ้นทุกข์